บทสรุปมนุษย์เรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเราลองพิจารณาดูว่ามันประเสริฐตรงไหน เพราะเราก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่ต้องกินต้องนอนขับถ่ายหาที่อยู่อาศัยและการผสมพันธุ์เป็นต้นเมื่อพิจารณาดูดังนี้ก็มีเห็นว่ามันจะแตกต่างกับสัตว์โลกทั่วไปตรงไหนเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วคำว่าสัตว์ประเสริฐนี้ก็คือเราสามารถเลือกทางเดินของเราได้ว่าเราจะเดินไปทางชั่วหรือทางดี เราจะไปนรกหรือไปสวรรค์หรือจะเดินไปสู่นิพพานเราสามารถสร้างทานศีลภาวนาและเรายังสามารถมีสติสัมปชัญญะในการกํากับตนตรงนี้เองที่เราเรียกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐธรรมดาแล้วสัตว์โลกทั่วไปล้วนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบ ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าคมเหงรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าเอารัดเอาเปรียบกันทุกรูปแบบมนุษย์เราจึงมีศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องกางกั้นความชั่วทั้งหลายให้เหลือแต่ความดีซึ่งจะทำให้มนุษย์ได้ลาชั่วและทำดีเพื่อหลีกหนีความทุกข์และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทั้งกายและทั้งใจดังนั้นพระผู้มีพระพักเจ้าจึงได้พยายามแนะนาสั่งสอน ให้พุทธบริษัททั้งหลายให้ทําความดีทุกวิถีทางเช่นการทําทานรักษาศีลเป็นต้นการทําทานนั้นก็เพื่อเป็นการให้เราละ ก, การเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เอารัดเอาเปรียบการที่เราเป็นผู้ให้อยู่บ่อยๆทําให้เราละความตระณีทีเหนียวการเห็นแก่ได้และเห็นแก่ตัวจิตที่มีแต่ให้นั้นเป็นจิตที่มีความเมตตาสงสาร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการเห็นอกเห็นใจกันตรงข้ามกับจิตที่มีความต้องการอยู่ตลอดเห็นของคนอื่นก็อยากได้มาเป็นของเราเพราะจิตนี้มีความโลภอยู่จึงเป็นจิตที่มืดมนเป็นจิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่มักมากเช่นเห็นสัตว์ก็อยากเอาชีวิตเขามาเพื่อกินเนื้อโดยที่ไม่ได้เห็นแก่ชีวิตความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมานของเขาจิต ท, ที่คิดเผื่อแผ่นนั้นย่อมเป็นจิต ท, ที่มีแต่ความสุขอิ่มเอิบปลื้มปีติเช่นการทำบุญตักบาตรการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นตรงกันข้ามกับจิต ท, ที่มีแต่จะเอานั้นเป็นจิตที่ทุรนทุรายมีแต่ความทุกข์และเป็นจิต ท, ที่ขาดเมตตาธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราทาทาน เพื่อความสุขในปัจจุบันและอนาคตการรักษาศีลเป็นบุญเป็นกุศลมากกว่าทานเป็นจิตที่มีพรมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นจิตของพรมอันประเสริฐพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าศีลจะนำเราไปสวรรค์และนิพพานในที่สุดศีลห้านั้นเป็นพื้นฐานแห่งศีล มนุษย์เราเมื่อขาดจากศีลห้าแล้วตายไปจะไม่มีโอกาสขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกหมายความว่าย่อมดิ่งลงสู่อบายคือความไม่สบายอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอบายภูมิสีคือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสัตว์นรกฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะเป็นการหลีกเลี่ยงความทุกข์ทั้งปัจจุบันและในภายภาคหน้า ทุกคนล้วนลังเกียจทุกข์รักความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ได้สร้างแต่ความทุกข์คือบาปรักความสุขแต่ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เลยไม่เคยรักษาศีลตรงนี้เองเราจําเป็นต้องมีศีลเพราะการกระทําสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราทําบาปแล้วเราจะปฏิเสธบาปหรือทุกนั้นไม่ได้เช่นเดียวกับบุญ นับตั้งแต่การทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเราก็ย่อมได้รับบุญหรือความสุขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรักษาไว้นับตั้งแต่วันนี้จนตลอดชีวิตบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าเอาไว้ได้เพราะเรายังต้องทำมาหากินอยู่ชาวไร่ชาวสวนชาวนา จะต้องพ่นยาฆ่ า, มาแมลงขุดดินทางป่าแล้วเราจะรักษาศีลข้อนี้ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศธรรมไว้แล้วอย่างละเอียดแล้วว่าเจตนาเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเรามีเจตนาตั้งจิตอธิษฐานหรือปฏิญาณเอาไว้อย่างแน่วแน่แล้วว่าเราจะรักษาศีลห้าไว้ตลอดชีวิตแต่บังเอิญเราไปขุดดินถูกไสเดือนเข้า ทำให้มันต้องตายอันนี้ถือว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำลายชีวิตของเขาจึงถือว่าไม่ผิดศีลข้อหนึ่งการลักขโมยหากเราไม่เจตนาขโมยก็ถือว่าเราไม่ได้ทำผิดศีลอีกเช่นกันศีลข้อสมนั้นเราก็ควรอยู่ในขอบเขตของเราไม่ผิดฟังผิด้าล่วงล้ำลูกเมียของคนอื่นเขา ซึ่งต่างก็รักและห่วงแหนเช่นเดียวกันกับเราส่วนศีลข้อสสมมุติว่ามีคนมายืมเงินเราปรากฏว่าผู้ที่มายืมเรานั้นมายืมเงินเราบ่อยครั้งแต่ว่าไม่เคยคืนเลยสักครั้งวันนี้มาขอยืมอีกภาษาพูดของคนเราที่ปฏิเสธจะไม่ให้เงินยืมก็มักจะบอกว่าฉันไม่มีอันนี้ไม่เข้าข่ายมุสา เพียงแต่เราสื่อสารกันให้รู้ว่าเราไม่ให้เท่านั้นส่วนสีลข้อ5สุราตามปกติคนเรานั้นมัวเมาอยู่แล้วในทุกเรื่องเพราะยังขาดสติสัมปชัญญะในการกระทาสิ่งต่างๆเมื่อเราดื่มสุราเข้าไปอีกแน่นอนว่าการมัวเมาการขาดสติสัมปชัญญะย่อมมีเพิ่มขึ้น ความมัวเมาลุ่มหลงย่อมเกิดขึ้นจึงไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้าคนเสียสติไม่รู้ผิดถูกขาดการยับยั้งชั่งใจการรักษาศีลห้าตลอดชีวิตเราอย่าไปกังวลถึงอนาคตว่าเราจะรักษาไม่ได้กลัวจะเสียสัจจะกลัวจะได้รับโทษอันนี้เป็นเรื่องผิดการรักษาศีลเรารักษาในปัจจุบันเท่านั้น ส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงเราต้องปล่อยวางไว้ก่อนอย่าไปคิดล่วงหน้าว่าทําไม่ได้จะเป็นการขัดขวางการสร้างคุณงามความดีของตนโดยหลงคําหลอกลวงของกิเลสที่คอยกระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าทําความดีอย่าสร้างกุศลเรารักษาไม่ได้หรอกมันยากเกินไปเป็นอุปสรรคในการรักษาศีล สมมุติว่าเรารักษาศีลห้าไว้วันนี้พรุ่งนี้เราตายนั่นแสดงว่าเรารักษาศีลไว้ตลอดชีวิตแล้วเช่นเรารักษาศีลห้าไว้ได้ส0วันวันที่ส1เราตายถือว่าเราสามารถรักษาศีลไว้ได้ตลอดชีวิตแล้วถ้าเรารักษาศีลได้าวันหรือหนึ่งเดือนแล้วขาดจากศีลเช่นเผลอตกยุงตาย เราสามารถตั้งปฏิยานใหม่ได้เช่นเดียวกับการโปรงอาบัตของพระขอเพียงแต่เราอย่ากโกหกตัวเองหลอกลวงตนเองว่าจะรักษาศีลแต่กลับไม่มีเจตนาที่แท้จริงที่จะรักษาสัจจะที่ตั้งใจไว้อันนี้ถือว่าผิดแต่ถ้าเราตั้งปฏิญานด้วยความจริงใจแล้วทุกครั้งที่ทำผิดพลาดจากศีลเราก็สามารถตั้งปฏิานใหม่ได้ ดังนั้นการรักษาศีลห้าจึงไม่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นให้ถือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งส่วนอดีตที่ได้รักษาศีลไว้อย่างถูกต้องก็เป็นกุศลผลบุญของเราอยู่แล้วจะน้อยหรือมากก็ดีส่วนการภาวนานั้นการรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีสติสัมปชัญญะ คำว่าสติสัมปชัญญานี้ไม่ใช่สติของคนธรรมดาทั่วไปแต่เป็นสติของนักปฏิบัติโดยตรงสติคือตัวระลึกสัมปชัญญะคือการรู้ตัวเราต้องมีสติให้มีการรู้ตัวอยู่ตลอดการรู้ตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความรู้สึกนี้ไปไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพียงแต่ให้มีความรู้สึกตื่นขึ้นที่ใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการตื่นนี้ตื่นเพื่ออะไรก็เพื่อคอยดูว่ามีสิ่งใดกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีสิ่งมากระทบแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความโลภความกโกรธหรือไม่มีอารมณ์ดีชั่วเช่นไร พิจารณาดูว่าอารมณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษกับตนเองหรือไม่ให้เราเห็นและพิจารณาไครครวนเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงยกเว้นตอนหลับนี่คือความเพียรที่เราต้องฝึกให้เป็นนิสัยมีความเพียรเป็นหลักให้เป็นที่อยู่อย่างต่อนเนื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอน หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นี่คือสติสัมปชัญญะสมถากรรมฐานนั้นมีถึง40สห้องด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้จิตเกิดความสงบปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพุทโธธรรมโมสังโคหรือยุบหนอพองหนอหรือแม้แต่อาณาปานาสติทั้งนี้ก็เพื่อต้องการความสงบนั่นเอง ความสงบเปรียบเสมือนน้ำที่ใสเราสามารถมองเห็นกุ้งหอยปูปลาใต้ผิวน้ำซึ่งเปรียบเสมือนกับสภาพจิตของตนได้อย่างถนัดชัดเจนตรงข้ามกับจิตฟุง้งซ่านหรือไม่สงบก็เปรียบเสมือนน้ำขุ่นย่อมมองไม่เห็นสภาวะของใจตนเองได้เลยฉะนั้นการภาวนาพุโทโธหรืออาณาปานสติ เราต้องการผลแห่งความสงบเท่านั้นสมาถาก ร, รมฐานจึงเป็นแม่บทให้เกิดความสงบซึ่งความสงบนี้จะทำให้จิตเกิดความว่างปราศจากสิ่งรบกวนสิ่งรบกวนในที่นี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจความว่างกับความสงบแตกต่างกันตรงที่ ความสงบต้องไม่มีความคิดต้องไม่มีอารมณ์ต้องไม่มีการกำกับกําหนดให้มีความสงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงเรียกว่าความสงบส่วนความว่างแม้ว่าจะมีความคิดหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นบ้างแต่เมื่อย้อนดูจิตก็ยังว่างๆอยู่โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างใดจิตที่ว่างจะเบาวกว่าจิตที่เป็นสมาธิ พรอมไม่ต้องกำหนดหรือบังคับฉะนั้นจิตที่ว่างจึงเป็นจิตที่พร้อมจะเดินด้านปัญญาต่อไปเพราะสามารถใช้สังขารความคิดมาพิจารณาธรรมตามความเป็นจริงได้ทั้งๆ ท, ที่จิตยังว่างอยู่ผลของความว่างจะนำไปสู่ธารู้หรือจิตเพราะความว่างเป็นสิ่งที่ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ว่าว่างนั้นก็คือธาตรู้หรือจิตนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าต่อให้เราทำบุญจนน้ำข้าวเท่าน้ำทะเลก็ยังไม่สามารถเข้าสู่แก่นของพระพุทธศาสนาคือถ้ารู้ได้การรักษาศีลแม้จะรักษาศีลมาเป็นร้อยเป็นพันกับก็ยังเข้าไม่ถึงแก่นพระพุทธศาสนาการภาวนาด้วยการใช้คำบริกรรมเพียงอย่างเดียวจะเนิ่นนานขนาดไหนก็ยังไม่พบแก่นพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง นอกเสียจากว่าเรามาทำความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือมีสติสัมปชัญญะเพื่อเข้ามาสู่วิปัสสนากรรมฐานคือการพิจารณากายที่ยาววานาคืบนี้ไล่ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นท่ารู้หรือไม่เพราะท่ารู้เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเราลองพิจารณาดูว่า ร่างกายของเรานี้เมื่อตายลงมีคนเอาไปเผาไฟเพราะอะไรเราจึงไม่มีความรู้สึกร้อนก็เพราะถ้ารู้หรือจิตนั้นได้แยกออกไปจากร่างกายนี้แล้วเหมือนกับเราสลบไปเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรอีกเช่นหมอวางยาสลบเพื่อการผ่าตัดเป็นต้นถ้ารู้หรือจิตนี้เป็นผู้ที่ไม่ตายเหมือนกายนี้ตายแล้ว แต่ถ้ารู้หรือจิตนี้ยังคงอยู่ยังไปหาพบน้อยใหญ่อันมีวิบากกรรมหรือบุญกุศลเป็นเครื่องชี้นาว่าจะไปเกิดในภพบอบายภูมิมนุษย์หรือสวรรค์ถ้ายังจับท่ารู้หรือแก่นของพระพุทธศาสนาไม่ได้ก็จะต้องวนเวียนตายเกิดในสามภพคือ น, นรกมนุษย์และสวรรค์อีกไม่มีประมาณ การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อที่จะพบกับธาตุรู้นี่เองธาตุรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ที่เราเรียนกันทางโลกเป็นธาตุเดียวเท่านั้นที่แทรกตัวอยู่ในธาตุสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟไม่เกี่ยวกับตาเห็นรูปสิ่งที่ถูกตาเห็นทั้งหมดไม่ใช่ธาตุรู้ ไม่เกี่ยวกับหูได้ยินเสียงเสียงใดๆก็ไม่ใช่ธารู้ไม่เกี่ยวกับจมูกได้กลิ่นกลิ่นเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่ใช่ท่ารู้ไม่เกี่ยวกับลิ้นได้รับรสทั้งหลายรสต่างๆนั้นก็ไม่ใช่ท่ารู้ไม่เกี่ยวกับกายสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือสัมผัสใดๆไม่ใช่ธารู้ทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายที่สัมผัสทางใจพอใจหรือไม่พอใจอารมณ์ที่สัมผัสใจไม่ใช่ท่ารู้สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับท่ารู้ทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดสิ่งทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ท่ารู้มีจิตหรือใจเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นท่ารู้ ถ้ารู้นี้อยู่นอกเหนือเหตุและผลถ้ารู้นี้จะมีกายหรือไม่มีกายเขาก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นอาสงไขามานานแล้วนับไม่ถ้วนถ้ารู้นี้ไม่เกี่ยวข้องกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าหากว่าเราสามารถมาอยู่กับท้ารู้นี้ได้เพียงเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ผลบุญกุศลเท่ากับเราสร้างโบสถ์ได้สามหลังถ้าหากว่าเราอยู่กับผู้รู้นี้ได้หนึ่งนาทีจะเป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลของเราและแม้ว่าจะขาดไปเป็นวันเป็นเดือนแต่หนึ่งนาทีนี้เป็นหนึ่งนาทีที่เราได้ฝากไว้กับจิตหรือธาตุรู้แล้วจะไม่ลบเลือนไปได้จะไม่มีใครมารลนมาจี้ หรือทำลายทรัพย์ในตัวของเราไปได้หากเราอยู่กับธาตุรู้นี้ได้สักหนึ่งในสีของวันอันนั้นคือมหาบุญเราก็จะได้เป็นบุคคลสีเหล่าแปดจำพวกซึ่งหมายถึงว่าภพชาติของเราน้อยลงมากจนสามารถลงมาถึงสีเหล่าดังกล่าวแล้วเราก็จะเหลือภพชาติอยู่เพียงไม่เกินเจ็ดชาติ สุขติจะเป็นของเราแน่นอนนั่นหมายถึงพระโสดาบันนั่นเองสำคัญอยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าใจสติสัมปชัญญะหรือการรู้ตัวทั่วพร้อมหรือธาตุรู้นี้หรือยังในบุคคลธรรมดาจะไม่รู้จกากธาตุรู้นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเรียนมามากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเรียนทั้งโลก หรือเรียนทางธรรมจะไม่สามารถเข้าถึงธาตุรู้ตัวนี้ได้เลยยกเว้นการปฏิบัติทางจิตหรือการทำความรู้ตัวทั่วพร้อมนี้เท่านั้นจะทำให้จิตเข้าถึงปฏิเวทได้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าธาตุรู้นี้ไม่ตายและไม่เคยตายมาก่อนเราจึงควรสร้างความดีนับตั้งแต่ทานศีล ภาวนาใส่ไว้ในธาตุรู้หรือจิตดวงนี้โดยการละความชั่วทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากธาตุรู้หรือจิตและมีสติอยู่กับธาตุรู้นี้ให้เป็นหนึ่งส่วนสองส่วนสมส่ว น, ส, ส, วนสี่ส่วนต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมหรืออยู่กับจิตหรือธาตุรู้นี้ได้แล้วนั้น จะใช้เวลาปฏิบัติไม่เกินเจวันเจเดือนเจปีก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเข้าไม่ถึงธาตุรู้เราก็จะต้องปฏิบัติไปไม่มีวันจบปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะพบกับธาตุรู้ได้อย่างไรกันจึงจําเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยให้คําแนะนําปรึกษาชี้แนะ และอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าหากว่าเราไม่สามารถเข้าถึงธารู้นี้ได้จริงๆแม้ว่าจะมีครูบาอาจารย์แนะนาแล้วก็ตามเราจะต้องหวนกลับมาทำสมาธิอย่างเดิมสมาธิจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเพราะสมาธิเป็นหินลับปัญญาทำให้เราเกิดปัญญามีความแหลมคมในการพิจารณาหรือได้เห็นสิ่งที่ละเอียดลงไป คือธาตุรู้หากเราอาศัยความเพียรก็คงไม่เกินความสามารถในการที่จะพบธาตุรู้นี้ได้จริงๆแล้วธาตุรู้นี้เราเห็นอยู่อย่างเต็มตาเพียงแต่จิตของเราส่งออกนอกโดยตลอดจึงไม่สามารถเห็นตนเองได้เหมือนกับกระบอกไฟฉายคือแสงสว่างนั้นจะไม่สามารถกลับมาส่องกระบอกไฟฉายได้ ทั้งที่กระบอกไฟฉายเป็นผู้ผลิตแสงสว่างด้วยตนเองแต่มันไม่สามารถเห็นตนเองได้เหมือนกับเราเป็นจิตแต่ไม่เคยเห็นตัวจิตเลยฉะนั้นเราลองหันกลับมาหาตัวเองย้อนกลับเข้ามาดูภายในตัวเองถามว่าเราคือใครในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่่ารู้ หรือไม่ใช่จิตแม้แต่ลมหายใจสติปัญญาหรือพุโทโธก็ไม่ใช่ท่ารู้หรือจิตแล้วอะไรละ่ะคือท่ารู้หรือจิตข้อนี้เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาอย่างยิ่งเราเกิดมาไม่มีประมาณแต่เราไม่เคยเห็นตัวเราเองมัวแต่เข้าใจว่าตนเองคือรูปกายเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณซึ่งนั่นผิดทั้งหมดเราคือธารู้หรือจิตต่างหากซึ่งก็คือความรู้สึกนั่นเองพระผู้มีพระพักเจ้าจึงตรัสว่าให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ภายในเราจึงควรทวนกระแสเข้ามาภายในแล้วก็จะพบธารู้หรือจิตได้มียาางธารู้ก็คือผู้หลับผู้ตื่นหรือตัวชีวิต หรือตัวเป็นโดยตรงถ้ารู้ไม่มีตัวตนไม่มีสีสันไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆถ้ารู้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนแต่สามารถรู้สึกได้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่รู้จักธารู้กับผู้ที่ไม่รู้จัก่ารู้ก็คือผู้ที่รู้จักธารู้นั้นจะเป็นตัวของตัวเองสามารถควบคุมตัวเองได้ เพราะมีการรู้ตัวโดยตลอดผู้ที่รู้จักธาตุรู้นั้นจะอยู่กับตัวเองเสมอคือไม่ไหลไปตามความคิดสมมุติว่าเราอยู่จันทบุรีแล้วเราคิดไปที่ต่างจังหวัดกรุงเทพหรือต่างประเทศธาตุรู้นี้ก็จะอยู่กับตัวเองไม่ลืมตัวเองเพราะธาตุรู้กับตัวเองคืออันเดียวกันแต่ผู้ที่ไม่ได้อยู่กับธาตุรู้ เมื่อคิดไปต่างจังหวัดกรุงเทพหรือต่างประเทศถ้ารู้ก็จะลืมตัวเองและตามความคิดนั้นไปทุกหนทุกแห่งนั่นหมายความว่าจิตไม่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นจิตที่ขาดจากสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่ทำก่อนคิดจึงมักเป็นผู้ที่ผิดพลาดในการกระทำอยู่เสมอ แต่ผู้ที่อยู่กับ่ารู้เป็นคนที่คิดแล้วค่อยพูดหรือทาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญารักษาตนเองอยู่นี่คือความแตกตา่างระหว่างผู้ที่รู้จัก่ารู้และไม่รู้จัก่ารู้ที่จริงแล้วธารู้นี้มีอยู่ในทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามมีตั้งแต่เกิดมาด้วยกันทุกคน แม้แต่สัตว์โลกทั่วไปก็มีธาตุรู้เช่นมดแดงปลวกก็มีธาตุรู้เพียงแต่สัตว์เหล่านี้ไม่รู้จักแม้แต่มนุษย์ทั่วๆไปเองก็ยังไม่รู้จักธาตุรู้ที่ตนมีอยู่ยกเว้นพระอริยาบุคคลเท่านั้นเราจึงควรมาศึกษาดูว่าธาตุรู้หรือจิตนี้คืออะไรแต่ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าทุกคนสามารถรู้จักธาตุรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเด็กผู้ใหญ่เจ้าฟ้าหรือยาจกคนไทยหรือคนต่างประเทศแม้แต่คนพิการทางกายไม่เลือกชั้นวันนะเมื่อเรามีความเพียรและขยันหมั่นเข้าหาครูบาอาจารย์ศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองอย่างไม่ลดละพร้อมด้วยการปฏิบัติทาสมาธิสร้างบุญสร้างกุศลข้าพเจ้าเชื่อ ว, ว่าเราจะต้องพบธารู้เข้าสักวันหนึ่ง เมื่อเราพบท่ารู้แล้วก็ให้มีความเพียรอยู่กับท่ารู้นี้ให้ต่อเนื่องดังที่ได้กล่าวข้างตน้นเราจะสามารถอยู่กับท่ารู้ได้นานขึ้นขึ้นจากหนึ่งนาทีเป็นสองนาทีสนาทีไปเรื่อยๆจนได้ครบตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับถึงแม้เวลาหลับบางครั้งก็ยังอยู่กับท่ารู้หมายความว่า อยู่กับท่ารู้จนเป็นนิสัยหรือที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ามีสติอัตโนมัติปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันผู้ที่อยู่กับท่ารู้ได้อย่างอัตโนมัตินั้นเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาผู้ที่อยู่กับท่ารู้ได้อย่างอัตโนมัติจะทิ้งขันห้าได้ทั้งหมดแล้วเหลือแต่ท่ารู้ตัวเดียวเท่านั้น แต่ท่ารู้นี่แหละคือตัวปัญหาเมื่อเราอยู่ตรงนี้ได้นานๆเราจะรู้สึกว่ามันหนักอยากจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้จะแบกเอาไว้ก็รู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินจะเป็นการกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเนื่องจากท่ารู้นี้เป็นตัวอวิชาโดยตรงอวิชาคืออะไรอวิชาก็คือเราเราไปจับท่ารู้อยู่นั่นเอง ให้พิจารณาธาตุรู้เข้าสู่วิปัสสนาคือการพิจารณาดูว่าในธาตุรู้นั้นมีเราจริงไหมรู้นี้เขารู้เองของเขาทำไมเราถึงต้องไปช่วยเขารู้ทำไมถึงไปเหมารู้ว่าเป็นเราทั้งทั้งที่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในโลกมันเป็นสิ่งหนึ่งเท่านั้นให้พยายามพิจารณาธาตุรู้ตัวนี้ ไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งที่มากระทบแต่ให้หาตัวจริงของธาตุรู้ตัวนี้ว่าจริงๆแล้วเราไปยึดว่าธาตุรู้เป็นของเราอยู่หรือไม่อย่าไปเอาธาตุรู้เป็นเราทิ้งมันไปที่เวลานี้เรารักเราสงวนธาตุรู้ก็เพราะว่าเราหลงคือไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง เราไม่มีสิทธิ์ไปเป็นเจ้าของธาตุรู้ธาตุรู้เป็นสิ่งหนึ่งของโลกอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้งสี่นี้ใครเป็นเจ้าของเขาเขาไม่มีเจ้าของแล้วธาตุที่ห้าซึ่งก็คือธาตุรู้นี่ก็เหมือนกันเขาไม่มีเจ้าของเราไปเป็นเจ้าของเขาไม่ได้เพราะธาตุรู้เป็นธรรมชาติตัวหนึ่ง ไม่มีเราเป็นเจ้าของไม่ใช่เรารู้ตัวนี้ไม่ใช่เราเขารู้ของเขาเองไม่มีเราหาดูสิว่ามีเราที่ไหนคำว่าเราสมมติขึ้นมาต่างหากเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเองใครไปช่วยดวงอาทิตย์ส่องแสงก็ไม่มีถ้ารู้นี้ก็เหมือนกันถ้าหมดเราตัวเดียว ทุกอย่างก็คืนธรรมชาติไปหมดถ้าสามารถปล่อยท่ารู้นี้ได้ไม่ต้องหมายรู้อีกต่อไปจิตก็จะเป็นอิสระจากอาวิชชาเป็นสภาวะเดียวที่เป็นกลางๆเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หมดคำพูดหมดความหมายหมดคำบัญญัติหมดปัญหาหมดภพชาติหมดทุกสุข หมดเกิดแก่เจ็บตายหมดจากคําว่าเราไม่มีเราเป็นเจ้าของไม่กินเนื้อที่เป็นปัจจุบันธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดขาดจากกิเลตันหาอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าท่ารู้เป็นเราซึ่งเกิดมาจากอวิชชาหรือความไม่รู้ตามความเป็นจริงคือความไม่รู้รอบในกายและจิตของตน เมื่อรู้รอบในเรื่องของกายและจิตแล้วก็จะเป็นวิชาจิตขาดจากสมมุติทั้งสมแดนโลกธาตุโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลืออยู่นั้นเป็นธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นนิพพานที่ยังตลอดกาลหรือเป็นธรรมฝ่ายวิมุติที่อยู่นอกเหนือเหตุและผลนั่นเองเมื่อจิตเป็นธรรม ทำเป็นจิตแล้วสมมุติและขันทั้งหลายก็เป็นธรรมไปด้วยแต่เป็นธรรมฝ่ายสมมุติเกิดเกิดดับดับคือเป็นไตรรักธรรมฝ่ายวิมุติไม่ขัดแย้งกับธรรมฝ่ายสมมุติแต่อย่างใดเพราะเป็นคนละส่วนกันไม่เป็นโทษต่อกันอีกต่อไปไม่ว่าดีหรือชั่วสกรปรกหรือสะอาดได้หรือไม่ได้ ตัดปัญหาทั้งหมดทั้งปวงจึงหยุดและปล่อยคำว่าหยุดเสีย